การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาเกิดความสงบเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจเกิดการปล่อยวางขึ้นมาผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องมีธรรมคือสติถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับ จะไปขับรถยนต์แล้วไม่มีกุญแจรถถ้าไม่มีกุญแจรถก็ไม่สามารถที่จะขับรถได้ต้องไปหากุญแจรถให้เจอก่อนเมื่อได้กุญแจรถแล้วถึงจะเปิดประตูรถเข้าไปนั่งในรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ขับรถไปไหนมาไหนได้ใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ ถ้าต้องการจะขับใจให้ไปสู่ความสงบไปสู่ความสุขไปสู่ความสบายใจไปสู่การปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างจําเป็นจะต้องมีกุญแจของใจกุญแจที่จะขับใจให้ไปสู่ความสุขความสงบก็คือสติถ้าไม่มีสติ นั่งสมาธิยังไงก็ไม่มีวันสงบถ้าใจไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขจะปล่อยวางไม่ได้ถึงแม้จะมีปัญญาที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมที่ได้จากการน่งเรียนได้จากการอ่านหนังสือธรรมะแต่ทำแต่ปัญญาที่ เอามาใช้กับใจที่ไม่สงบนี้ใช้ไม่ได้ทำให้ใจปล่อยวางไม่ได้ต้องให้ใจมีสติทำใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนเมื่อใจสงบเป็นสมาธิแล้วถึงจะสามารถใช้ปัญญาเพื่อมาสอนใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆให้ได้ นี่คือเรื่องของธรรมที่เกี่ยวข้องกันธรรมที่มาก่อนเพื่อนคือสติถ้าไม่มีสติสมาธิมาไม่ได้เมื่อไม่มีสมาธิเอาปัญญามาสอนใจให้ปล่อยวางก็ปล่อยไม่ได้นักปฏิบัติทุกสำนักที่ไปปฏิบัตินี้จึงสอนให้ฝึกสติก่อน ให้เจริญสติให้สร้างสติขึ้นมาวิธีที่จะสร้างสติก็ต้องมีกรรมฐานคือมีอารมณ์ไว้ผูกจิตผูกใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของความนึกคิดต่างๆถ้าไม่มีกรรมฐานผูกใจไว้ใจจะลอยไปกับความคิดต่างๆคิดเรื่องอดีต คิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับจิตก็จะไม่หยุดคิดคิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีกรรมฐานเหมือนกับว่าวที่ไม่มีเชือกว่าวที่เชือกขาดมันก็จะลอยไปตามกระแสลม มันจะไม่หยุดรอยตราบใดมีลมพัดมันก็จะลอยไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีเชือกผูกว่าวไวน้นี่ว่าวมันจะไม่ลอยไปตามกระแสลมมันจะอยู่กับที่มันจะนิ่งจิตก็เหมือนว่าวนี่ถ้าไม่มีกรรมฐานที่เป็นเหมือนเชือกที่จะคอยดึงจิตให้อยู่นิ่งๆ จิตก็จะไหลไปกับความคิดคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงที่นั่นคิดถึงที่นี่คิดอยู่ได้ร้อยแปดพันประการคิดคิดแล้วก็จะไม่มีความสงบเมื่อไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขก็จะต้องดิ้นไปหาความสุขจากสิ่งภายนอก ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหาความสุขจากคนนั้นคนนี้แล้วก็กลายเป็นความทุกข์เวลาสูญเสียสิ่งนั้นไปสิ่งนี้ไปสียเสียคนนั้นคนนี้ไปแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้เพราะเวลาหาอะไรบางทีก็ต้องไปแย่งกันไปแข่งกันอันนี้คือ ปัญหาจะตามมาเยอะแยะถ้าไม่รู้จักทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีความสุขในตัวเองถ้าไม่มีความสุขในตัวเองก็ต้องไปหาความสุขภายนอกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากการดูหนังฟังเพลงจากการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่จากการไปซื้อของต่างๆมา หลอกใจให้ดีใจให้มีความสุขประดียวประดาวได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆเวลาหาไม่ได้ก็เหงาเศร้าซึมเศร้ า, ว, าว้าเหวเวลาอยากไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวก็เหงาเวลาอยากจะไปช้อปปิง้งไม่ได้ไปช้อปปิ้งก็เบื่ อ, อเบื่อนาย ชีวิตจะไม่มีความสุขต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้แต่สิ่งต่างๆที่หามาได้ก็ให้ความสุขเดี๋ยวๆเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่หากันอยู่เรื่อยๆเวลาที่หาไม่ได้ก็ทุกข์เนี่ยเวลาไม่มีเงินทองใช้ก็ทุกข์เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เนี่ย นี่เพราะว่าไม่รู้ความสำคัญของการฝึกสตินี่ถ้ารู้ว่าจะให้มีความสุขมีความสบายใจเอาเวลามาหาสติกันดีกว่าดีกว่าไปหาสตังสติกับสตังสตินี่สำคัญกว่าสตังเพราะสตินี้จะให้ความสุขแท้ความสุขจริง ส่วนสตังนี้จะให้ความสุขปลอมได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอจึงต้องคอยหาสตังกันอยู่เรื่อยๆสตังหามาได้เดี๋ยวก็หมดแต่สตินี้หามาได้แล้วจะไม่หมดสติพอได้แล้วมันก็จะเป็นของเราจะอยู่กับเราแต่สตังนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดพอได้มาแล้วก็ต้องเอาไปใช้ ถ้าไม่ใช้เราไปหามันมาทำไมเมือม่อเอมื่อเมื่อเอาไปใช้มันก็ต้องหมดหมดก็ต้องหาใหม่หาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สติชีวิตก็เลยวุ่นวายไปกับการหาสตังกันเพราะไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรู้ว่าควรสิ่งที่ควรจะหาคือสติไม่ใช่สตัง พยายามมหาสติกันอย่ามหาสตังเพราะถ้ามีสติแล้วจะได้ความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่หมดไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากสตังพอสตังหมดความสุขก็หมดเพราะไม่มีสตังแฟนก็ไม่อยู่กับเราละจึงต้องขอหาสตังกันอยู่เรื่อย นี่แหละคือเคล็ลับของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขการจะมีความสุขได้ต้องมีความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ไม่ไม่จากเราไปความสุขที่ไม่มีวันหมดคือความสุขที่เกิดจากการเจริญสติเป็นเบื้องต้นขั้นต้นต้องอาศัย ต้องรสร้างสติต้องสร้างความสุขจากสติก <ấ m. S 2> ่อนแล้วขั้นที่สองไปเปลี่ยนความสุขที่ได้จากสติมาเป็นความสุขที่ได้จากปัญญาอีกทีหนึ่งเพราะความสุขที่ได้จากสติยังเป็นความสุขที่ยังไม่มั่นคงยังมีขึ้นมีลงได้อยู่แต่พอได้ความสุขที่ได้จากปัญญามันจะได้ความสุขที่มั่นคง มันจะไม่มีวันขึ้นไม่ไม่มีวันลงมันจะสุขตลอดเวลาเป็นปรรมสุขบลเป็นปรมังสุขขังต่อไปแต่เบื้องต้นนี้ต้องเริ่มต้นที่สติก่อนเริ่มต้นที่ความสุขที่ได้จากสติก่อนอย่าไปหาสตังเลยหาสตังแล้วมันได้ความสุขนิดเดียวแล้วก็ได้ความเครียดได้ความ ไม่สบายใจได้ความวิตกกังวลได้ความหวาดกลัวได้อะไรต่างๆตามมาเอยอะแยะถ้าจเจริญสติหาสติแล้วจะได้ความสงบได้ความสบายใจไม่ต้องมีความวิตกกังวลกับใครไม่ต้องทุกข์กับใครไม่ต้องเสียใจกับใครเพราะความสุขจากสตินี้ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้ใครมาให้ความสุข แต่ความสุขจากการใช้สตางค์นี้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขแล้วคนนั้นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้วันดีคืนดีเขาก็ไม่อยู่กับเราออกไปเขาก็จากเราไปเพราะถึงแม้จะมีสตางค์บางทีสตางค์ก็ดึงเขาไว้ไม่อยู่ถึงเวลาเขาจะไปเขาก็ไป ไปด้วยความสมัครใจก็มีไปด้วยความไม่สมัครใจก็มีสมัครใจก็คืออยากจะไปไม่สมัครใจไม่อยากไปแต่ไปเพราะตายอย้เาไปเหมือนกันเหรอนั้นการหาความสุขจากการหาสตางค์จึงเป็นการหาความทุกข์มากกว่าหาความสุขถ้าอยากจะหาความสุขต้องมาหาความสุขจากการหาสติ อย่าไปหาสตางการจะ ห, หาสติได้ก็จะต้องไม่ไปหาสตางเพราะถ้าไปหาสตางก็ไม่มีเวลามาหาสตินนถ้าอยากจะหาสติก็ต้องไม่มีเวลาไปหาสตางมันไปทางเดียวกันไม่ได้สองอย่างนี้ต้องไปเลือกไปคนละทางถ้าอยากจะหาสติก็ต้องตกงานต้องไม่มีงานทำนํำ ก่อนที่ตกงานอนะ่ะถือว่าโชคดีถ้าถ้าอยากจะหาสติเพราะว่าพอตกงานก็มีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะไปหาสติไปอยู่วัดได้ทั้งวันทั้งคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนหรือตลอดไปก็มีเพราะว่าถ้ามีสติแล้วใจก็จะมีความสุข ้วเป็นความสุขที่สบายกว่าความสุขที่ได้จากการหาสตังค์การจะหาสตังค์ได้แต่ละครั้งก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อลร ว, วันๆหนึ่งนี่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปหาสตังค์พอหามาได้ปั๊บก็พอไปใช้ปั๊บเดียวก็หมดแล้ะ ซ, ซื้อนุ่นซื้อนีน่กินนู่นกินนี่ดูนั่นดูนี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เดี๋ยวปั๊บเดียวหมดละ เวลาใช้มันรู้สึกมันง่ายกว่าเวลาหาเวลาหานี่โอยแสนจะยากเย็นเข็นใจกว่าจะได้มาสักบาทสองบาทแต่เวลาใช้นี่ควกักกระเป๋าที่หมดไปร้อยสองร้อยยังไปยังไม่รู้สึกตัวไปยังรวดเร็วนี่แหละความหลงที่ท่านบอกหลงเนี่ยหลงทางลงไปหาความทุกข์ พราคิดว่าการหาสตังแล้วจะซื้อความสุขได้แต่ความสุขที่ซื้อมาเป็นความสุขที่มันไม่ซื่อสัตย์กับเราเป็นความสุขที่มันจะหักหลังเราเป็นความสุขที่มันจะจากเรามันจะทิ้งเราไปพอเวลามันจากเรามันทิ้งเรามันก็ปล่อยให้เราเศร้าโศกเสียใจอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายพระพุทธเจ้านี้ฉลาด เมื่อก่อนท่านก็หาสตางค์เหมือนกันแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาว่าการหาความสุขจากสตางค์นี้มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันต้องเกิดวันใดวันหนึ่งที่หาไม่ได้เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาจะตายนี้ก็หาไม่ได้แล้วและเวลานั้นจะไปหาความสุขจากอะไรก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจ มีความซึมเศร้ามีความเหงามีความว้าเวต่างๆพระองค์เลยเปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่นี้ออกจากวังสะละราชสมบัตินะสละสตังแล้วก็ไปหาสติไปเป็นนักบวชยอมตกงานยอมลาออกจากราชโอรสมีตำแหน่งจะรอขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะสละตำแหน่ง สละหน้าสละหน้าที่ของราชโอรสเพื่อไปเป็นนัก บ, บวชเพื่อที่จะได้มีเวลาที่จะหาสติพอหามีเวลาหาสติพอหาสติได้ก็หาปัญญาต่อพอได้ปัญญาทีนี้ก็ได้บรลล ม, มาสุขไงได้ความสุขที่จีรังถาวรความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมด พอเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆไม่ต้องอาศัยคนนั้นคนนี้ไม่ต้องอาศัยสถานที่นั้นสถานที่นี้อาศัยสติกับปัญญาสองตัวนี้มีสติก็จะสร้างความสุขแบบชั่วคราวไปก่อนพอมีปัญญาก็จะสร้างความสุขแบบถาวรต่อไป ดังนั้นผู้ปฏิบัติยิงต้องมาฝึกสติกันในเบื้องต้นไม่ว่าจะไปศึกษาที่สำนักไหนเขาก็จะสอนให้ฝึกสติกันให้ใช้กรรมฐานเป็นตัวสร้างสติขึ้นมาเป็นตัวที่จะดึงจิตให้อยู่นิ่งๆไม่ให้ลอยไปตามกระแสความคิดมรุงแต่งต่างๆไม่ให้ลอยไปตามกระแสของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายถ้ามีกรรมฐานแล้วมันก็จะนิ่งมันจะไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเมื่อไม่คิดปรุงแต่งไม่อยากสิ่งได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะนิ่งจะสงบสงบแล้วก็จะได้นัตติสันติพลังสุขขังเอสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีะ พอจิตสงบแล้วก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขสองระดับระดับชั่วคราวกับระดับถาวรระดับชั่วคราวก็เกิดจากระดับของสติระดับถาวรก็เกิดจากระดับของปัญญานี่คือ <c oughs> เรื่องของการปฏิบัติธรรมเราต้องรู้ขั้นรู้ตอน ไม่ใช่ปฏิบัติกันแบบจับใยหรือต่อยแบบมวยวัดเอาทั้งเอาทั้งสติเอาทั้งปัญญาเอาทั้งสมาธิทีเดียวพร้อมกันหมดเลยใส่ไปในชามเดียวถ้วยเดียวนั่งสมาธิเอาทั้งกรรมฐานเอาทั้งสติเอาทั้งสมาธิเอาทั้งวิปัสสนายุ่งกันไปหมดเลยเลยไม่รู้ได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรได้แต่ความสับสนได้แต่ความหลง เพราะไม่ศึกษากันหรือศึกษาก็ศึกษาจากคนที่หลงคนสอนก็หลงคนเรียนก็หลงไม่ไปเรียนกับคนที่เขารู้เพราะคนรู้มีน้อยคนหลงมีมากแล้วคนรู้ก็ไม่ชอบพูดไม่ชอบสอนคนหลงนี่ชอบสอนจึงมีคนสอนเยอะแต่มีคนรู้น้อย มีคนพันรู้จริงๆรุ่นที่มาสอนนี่น้อยเพราะคนรู้แล้วอยู่เฉยๆสบายกว่าเรื่องอะไรมาสอนให้เดอดให้เหนื่อยไ ป, ป, ปเปล่าๆคนรู้แล้วมักจะไม่อยากได้อะไรออคนไม่รู้เนี่ยอยากจะได้อยากจะเป็นอาจารย์ อ, อ, อยากจะให้คนนั้นคนนี้เขาเคารพนับถือ อ, อ, อยากจะให้เขาถวายลาบสักการะ ถึงอยากจะเป็นอาจารย์กันบวชกันได้สองสามวันก็ไปตั้งสำนักนะไปเป็นอาจารย์กันแล้วนี่คือเรื่องของปัญหาของวงการปฏิบัติธรรมของเราทุกวันนี้มีของหลงของปลอมเยอะของจริงนี่ไม่รู้อยู่ที่ไหนหายากพอไปเจอของปลอมคิดว่าของปลอมเป็นของจริง พไปเจอของจริงก็เลยคิดว่าเป็นของปลอมไปก็เลยไม่เข้าหาของจริงเข้าหาของปลอมกันเพราะเห็นว่าคนเข้ากันเยอะที่ไหนคนเข้ากันเยอะต้องเป็นของจริงนะที่ไหนคนเข้าน้อยนี่เป็นของปลอมไม่มีคนเข้ากันเพราะของจริงมันยากนะของปลอมมันง่าย ถ้าไปสำนักไหนบอกโอ้ยง่ายปฏิบัติสองวันก็ได้นี่ไปกันเยอะเลยถ้าไปวัดไหนไปที่ไหนเขาสอนบอกโอ้ยต้องไปต้องไปยอมตายนู้นน่ะถึงจะได้นไม่มีใครอยากจะไปกันถ้าที่ไหนสอนว่านิพานอยู่ฟากตายก็ไม่ไปแล้วกลัว <laughs> ไปทำไมนิพานน อย่านีเขาสอนตามโรงแรมกันสอนวิธีปฏิบัติอยู่ในห้องแอร์นั่งปฏิบัติไม่ต้องทุกข์ทรมานนั่งสบายทั้งกายสบายทั้งใจแต่มันไม่ได้ผลหรอกมันได้แต่ความคิดคิดว่าได้คิดว่าอาจจะได้นิดหนึ่งคือลืมเรื่องปัญหาไปชั่วคราวแต่มั่พอเดี๋ยวกลับไปเจอเรื่องปัญหาเดิมก็ เกิดปัญหาขึ้นมาใหม่จะเรื่องเดิมก็ปัญหาเดิมก็กลับขึ้นมาใหม่มันไม่ได้ปฏิบัติถึงรากถึงโคนได้แบบผิวเผินก็เลยคิดว่าได้แล้วบรรลุแล้วบางทีก็ไปสอนต่อได้เลยอดี๋ยนี้มีครูสอนสมาธิเยอะแ ย, ยะไปหมดมันก่อนก็มีมาเมื่อวานนี้มาแนะนำตัวเป็นครูสอนสมาธิ อย่างนี้ตามสํานักต่ตางเขาผลิตครูสอนสมาธิกันหลักสูตรสิบวันสิบห้าวันวิธีสอนสมาธิสอนอย่างไรก็สอนให้ฝึกสติเนี่ยสอนนั้นมันสอนได้แต่ทําได้หรือเปล่าปัญหามอยู่ตรงนั้นถ้าตัวเองทําไม่ได้ไปสอนคนอื่นมันก็สอนแบบงูงงงงงงปลาเนี่ยแหล ะ, ล ะ, ละมันไม่ได้สอนแบบถึงเหตุถึงผลถึงลูกถึงคน สอนแล้วก็ปฏิบัติก็ได้กันแบบงูงูปลาปาไปไม่ได้อะไรเป็นเป็นกอบเป็นกรรมไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิจริงๆได้แต่วิธีฮะก็พุทโธพุทโธไปเนี่ยก็ใครๆก็สอนได้เดินวงกลมก็ให้รู้หนอก้าวหนอย่างหนอวางหนอมันก็ได้ได้วิธีแต่ผลเป็นยังไงไม่รู้ใช่ไหม ผนที่เกิดสมาธิจริงๆเป็นยังไงไม่รู้การมีสติจริงๆเป็นยังไงไม่รู้มันเป็นของที่สอนได้สอนง่ายแต่ปฏิบัติให้มันได้ผลนี่มันยากเพราะมันต้องต้องมีเวลาปฏิบัติจริงๆจังๆ ถ้าเอาเป็นแบบมือสมัครเล่นนี้ไม่มีทางที่จะได้ผลยังมีงานทําอื่นอยู่แล้วก็เอาเวลานอกเวลาว่างจากงานมามานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิอหรือมาสอนสมาธิมันเวลามันไม่พอเวลานิดเดียวคนที่จะได้สมาธินี้จะต้องไม่มีงานอย่างอื่นทำํำนนอกจากงานเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้น จะเป็นพระก็งานบิณฑบาตเท่านั้นเองที่ยังต้องทําอยู่แต่นอกนั้นแล้วไม่ไม่ทําอะไระงานใดที่ไม่จําเป็นนี่จะไม่ทํางานที่จําเป็นก็ทําให้มันน้อยที่สุดนงานที่อยู่อาศัยพระพุทธเจ้าบอกให้อยู่ง่ายๆอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื่อนผาอยู่ตามถ้ะ อ, อะไรจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาสร้างมันน มันมีมันมีที่ให้อยู่แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างมันเพรนั้นเดี๋ยวต้องมาเสียเวลาสร้างกุติรู้รรๆหลาๆสวยๆงามๆสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมาคอยเช็ดคอยถูคอยเก็บคอยกวาดแล้วเดี๋ยวใช้ไปไม่นานก็ซ่อมอีกแล้วต้อ ง, สงเสียอีกแล้วต้องซ่อมอีกแล้วก็ยังหางานทํากันอยู่นั่นงานที่ต้องการพระเจ้าต้องการให้เราทากันก็คือสร้างสติกัน ถ้าจะสร้างสตินี้จึงไม่มีงานอย่าอื่นทำนอกจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะสร้างสติฝึกสติจะมีสติก็ต้องมีกรรมฐานอารมณ์กรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้ผูกใจไว้ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เช่นพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าร ะ, ะลึกถึงพุทโธพุทโธ ไ้ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะไม่ไปคิดถึงแฟนไม่ไปคิดถึงลูกไม่ไปคิดถึงสามีไม่ต้องไปคิดถึงภรรยาไม่ไปคิดถึงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ไปคิดถึงธุรกิจการงานต่างๆทางที่ดีตัดไปให้หมดก่อนดีกว่าถ้าไม่มีแฟนได้ก็ดีไม่มีสามีไม่มีภรรยาได้ก็ดีไม่มีลูกได้ก็ดี ไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองได้ก็ดีดูตัวอย่างของศาสดาของเราปนะ ร, ร, รมอาจารย์ของพวกเราคือใครพระพุทธเจ้านะ <c oughs> เวลาท่านออกปฏิบัติท่านมีอะไรไปบ้างไม่มีเลยตัดหมดเลยทิ้งหมดเลยทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งทรัพสมบัติทิ้งภสาษสาสามฤดูทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป <c oughs> แม้แต่ชุดครองก็ไปเปลี่ยนกับขอทาน <c oughs> เวลาออกจากาวังไปแล้วยังใส่ชุดคลองของเจ้าชายอยู่พอไปพบป่าวกับขอทานขอทานชอบดีใจอยากจะได้อยากจะได้ชุดของของเจ้าชายขอเปลี่ยนเจ้าชายก็ยินดีเอาเลยเราอยากจะเป็นขอทานเจ้าอยากจะเป็นเจ้าชายก็ดีเปลี่ยนกันเลยท่านก็เลยชุดขอทานมาใส่ชุดเจ้าชายก็ยกให้ขอทานไปนี่คือ ตัวอย่างของผู้ที่จะไปสร้างสติผู้ที่จะไปสร้างความสุขสร้างที่เกิดจากความสงบต้องไม่มีอะไรพลุงพลังไม่มีอะไรมาคาลาคาสังอยู่ภายในใจถ้ามีอะไรติดอยู่ภายในใจแล้วมันจะเป็นอุปสรรคต่อการทำจิตให้สงบจิตมันก็ยังจะคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อย แต่พอสละมันไปแล้วยกให้คนอื่นเข้าไปแล้วมันทีนี้มันไม่คิดแล้วคิดก็เอากลับคืนมาไม่ได้แล้วะ อ, อ้อยเข้าปากช้างไปแล้วเนี่ยต้องทําอย่างนี้ถ้าอยากจะได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบต้องต้องสละถึงแม้ว่าในเบื้องต้นอาจจะสละชั่วขาวก็ต้องสละเช่นเรายัง เรายังปฏิบัติเต็มที่ไม่ได้ยังไปบวชไม่ได้แต่เราอย่างน้อยก็ไปปีกวิเวกได้บ้างครั้งเราสามวันห้าวันเราก็ไปเวลาไปก็ลืมเรื่องต่างๆที่เราไม่อยู่ทั้งหมดไปอย่าไปคิดถึงมันคิดเสียว่าตายจากมันไปชั่วขา่าวมันจะอยู่หรือมันไม่อยู่ก็เรื่องของมัน ถ้าไปวิตกไปคอยกังวลอยู่ ม, มันก็เหมือนไม่ได้ไปเนะี่ไปแต่ร่างกายแต่ใจมันก็ยังอยู่กับท ร, รัพสมบัติเข้าของอยู่กับสิ่งนั้นสินน่งนี้อยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่มันก็จะทำใจให้สงบสไม่ได้มันก็จะเจริญกรรมาฐานไม่ได้จะให้มันพุโทโธพุโทโธมันก็ไม่ยอมพุโทโธมันก็ยังห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ห่วงสิ่งนั้นห่วงสินน่ง น, นี้อยู่ ปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผลเพราะไม่มีสติเพราะไม่สามารถเจริญสติด้วยกรร ม, มาฐานได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่จะให้ได้ผลต้องปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าแบบพระสาวกต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างของภายนอกใจนอกกายนี้ปล่อยไปให้หมด เอาแต่ร่างกายกับจิตใจไปแล้วก็ไปอยู่ที่มันไกลจากเรื่องราวต่างๆมันจะได้ไม่ดูดเรากลับไปหาแล้วก็เวลาไปอยู่แล้วก็ต้องคอยหักห้ามใจที่ยังพยายามจะคิดถึงสิ่งต่างๆที่ ท, ทิ้งมาอยู่ได้ต้องใช้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธพยายามท่องพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไป เอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาอะไรเตินขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารล้างถ้วยล้างชามทำความสะอาดกวาดถูอะไรต่างๆพอเสร็จแล้วก็เดินจงกรมพุโทโธพุโทโธไป หรือไม่พุโทโธก็คอยดูร่างกายไปร่างกายกำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปทำอย่างนี้แล้วใจจะนิ่งใจจะไม่คิดเรื่องราวต่างๆได้แล้วพอเวลาท่านอยากจะให้ใจสงบก็ต้องมานั่งหลับตา นั่งขัดสมาธิได้ก็ดีเป็นท่าที่นั่งได้สบายนั่งได้นานถ้านั่งท่าอื่นเดี๋ยวมันอาจจะเอนไไ็นง่ายๆล้มได้ง่ายมันไม่มันไม่มันมม่นคงเหมือนกับท่านั่งขัดสมาธิถ้าไม่ได้จริงๆก็นั่งท่าไหนาไปก่อนก็ได้เพราะใหม่ๆมันก็นั่งไม่ได้นานอยู่ดีเพราะสติมันมีกำลังน้อยนั่งได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็อดที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้ พอคิดปุ๊บก็เดี๋ยวก็เกิดอาการอดอัดขึ้นมาเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็ต้องลุกไปทำนู่นทำนี่ก็ยังไม่ได้ผลนี่แหละคือขั้นตอนของการปฏิบัติสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติก็คือสติเหมือนกับกุญแจรถ คนที่ขับรถทุกคนรู้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีกุญแจ ร, รู้ว่าไปไหนไม่ได้นะรถคันนั้นก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งจอดอยู่เฉยขับไปไหนมาไหนไม่ได้แต่พอมีกุญแจปับ๊บเปิดประตูก็ไปได้ปับ๊บสตาร์ทรถปับ๊บเทนี้จะวิ่งไปไหนก็ได้ไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปที่ไหนก็ไปได้กลายเป็นพรมวิเศษไป แต่พอไม่มีากุญแจปั๊บกลายเป็นก้อนหินมาจอดนิ่งอยู่เฉยๆไปไหนไม่ได้จิตก็เหมือนกัน จ, จิตที่ไม่มีสติก็เป็นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่วุ่นวายจิตที่ไม่มีความสุขจิตที่มีแต่ความวิตกกังวลหวาดกลัวห่วงใ ย, ยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้วิตกกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ กินไม่ได้นอนไม่หลับกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่มีสติไม่สามารถหยุดความคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ท่า น, นั้นเองเคล็ดลับของการทาจิตให้สงบให้มีความสุขคือต้องหยุดความคิดต่างๆให้ได้จะหยุดความคิดได้ก็ต้องอาศัยกรรมาฐานที่จะเป็นตัวที่จะมาสร้างให้มีสติขึ้นมา ให้มีกำลังที่จะหยุดความคิดต่างๆให้ได้พอหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความกังวลความวิตกความห่วงใยความเครียดความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจต่างๆได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติควรจะให้ความสำคัญต่อการหาสติอย่าไปหาสตางหาสติดีกว่าสตางก็หาพอยไว้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอ ไม่ต้องหามาให้ร่มให้รวยไม่ต้องหามาเพื่อเอาไปซื้อความสุขต่างๆเพราะความสุขต่างๆที่ไปซื้อก็เป็นความสุขแบบยาเสพติดซื้อแล้วก็ติดเวลาไม่ได้เวลาไม่ได้ซื้อก็ทุกเหมือนกับเวลาไม่ได้เสพยาเสพติดก็ทรมานอย่าไปซื้อความสุขต่างๆเพราะเป็นยาเสพติดให้มาหาสติดีกว่า หาสตางค์พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พอเราเอาเวลาที่เหลือนี้มาหาสติกันถ้าหาเงินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอาจจะหาแค่วันสองวันก็พอทํางานอิสระขายของขายตรงขายประกันขายเครื่องสำอางขายอะไรไปพอรู้พอได้เงินพอเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็หยุดเอาเวลาไป หาสติต่อไปหาที่สงบไปอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติมีการเจริญสติมีการสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเพื่อที่จะได้รู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรสมาธิมีกี่แบบปัญญามีกี่ลักษณะยังมีรายละเอียดที่จะต้องศึกษาที่จะต้องเรียนรู้อีกพอสมควร แต่เบื้องต้นขอให้รู้เพียงตัวเดียวพอรู้วิธีสร้างสติก่อนรู้วิธีสร้างสติแล้วพยายามสร้างสติขึ้นมาให้ได้จะรู้ว่าเราได้สติก็ต่อเมื่อเราได้สมาธินะถ้ามีสติแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นหนึ่งได้รวมเป็นเอกตารมสักแต่ว่ารู้ได้เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นอุเบกขา แล้วก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงนี่คือผลที่จะได้จากการเจริญสติเมื่อได้สติได้สมาธิแล้วก็ต้องฝึกสมาธิไปเรื่อยๆก่อนให้มันชำนาญไม่ใช่พอได้ครั้งเดียวปุ๊บทีนี้จะไปขั้นปัญญาต่อไปอยังไม่พอต้องมีสมาธิที่ที่แร่ขยายไป ทุกเวลานาทีเไม่ใช่สงบแต่เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็หายไปนี่แสดงว่าสมาธิยังมีไม่พอต้องก็ออกจากสมาธิมาก็ต้องมาเจริญสติใหม่มาพุทโธใหม่มาเดินจงกรมใหม่เสร็จแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ ทำอย่างนี้ไปสลับกันไปตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยทํามันทั้งวันทั้งคืน <c oughs> แล้วต่อไปมันจะสงบมันจะเย็นทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิทั้งขณะที่ออกจากสมาธิมา <c oughs> อันนี้นะถึงจะเป็นถึงจะเป็นเอ่อเป็นขั้นที่จะไปสู่ขั้นปัญญาได้ <c oughs> ไม่ใช่พอได้สมาธิครั้งแรก ไปปัญญาเลยนี่ยังไม่ใช่เนี่ยเหมือนยังได้แค่นิดเดียวได้ตักน้ําได้เพียงขันเดียวแล้วจะเอาน้ํานี้ไปดับไฟมันยังไม่ได้ต้องตักน้ําใส่กระแปงไปให้มันเต็มก่อนให้น้ํามันเต็มกระแปงแล้วถึงค่อยเอาน้ํานี้ไปดับไฟมันจะได้มีกําลังมากที่จะดับไฟได้ ถ้ามีสมาธิเพียงแค่สิบห้านาทีแล้วจะเอาไปสู้กับกิเลสไปหยุดความอยากไปดับความทุกข์นี้มันไม่พอกำลังมันไม่พอคนไม่เข้าใจพอเวลาฟังเขาไม่อธิบายขั้นตอนไงเขา่าพอจิตสงบก็ออกเจริญปัญญาได้เลย พอจิตสงบปั๊บจะเจริญปัญญาในขณะที่อยู่ในสมาธิเลยถามเลยนะจะเจริญยังไงมันเจริญไม่ได้เวลาจิตสงบมันคิดไม่ได้มันจะไปเจริญได้อย่างไรเวลาทําสมาธิไม่ได้เป็นเวลาเจริญปัญญาคําว่าได้สมาธิแล้วค่อยไปปัญญาหมายถึงได้สมาธิจนจิตนี่สงบทั้งวันทั้งคืนแล้วหยุดคิดได้ทั้งวันทั้งคืนแล้ว ถึงจะเอาจิตที่หยุดคิดได้นี้ไปให้มันคิดไปทางปัญญาให้มันสอนใจให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดกับของที่ไม่เที่ยงเพราะของที่ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต้องจากเราไปอพอมันจากเราไปมันก็ทำให้เราทุกข์เนี่ยอันนี้ต่างหากอันนี้เป็นการเจริญปัญญาแต่ต้องเจริญหลังจากที่เรา สร้างสมาธิขึ้นมาให้มีตลอดเวลาให้ได้ก่อนส า, าสามารถหยุดความคิดของเราได้ตลอดเวลาก่อนเพราะถ้าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้เดี๋ยวไปคิดทางปัญญาเดี๋ยวกิเลสมันมาแย่งเ อ, gelir, เอาความคิดไปคิดทางกิเลสแทนนะพอมันย่งไปแล้วที่ก็หยุดมันไม่ได้เพราะถ้าเรายังหยุดความคิดไม่ได้พอกิเลสเอาความเอาความคิดไปคิดมันก็จะคิดไปทางกิเลสให้เราวตกกังวลให้เราหวาดกลัวให้เรา เดือดร้อนกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาทันทีนี่คือขั้นตอนจริงๆของการปฏิบัติสมาธิกับปัญญานี่ห่างกันบางทีเป็นปีเลยนะกว่าจะได้สมาธิขึ้นมาจริงๆนละถึงจะเข้าไปทางปัญญาจริงๆเนะี่ยมันไม่ใช่พอนั่งจิตสงบปุ๊บก็ยกจิตขึ้นมาพิจารณาวิปัสสนาปัญญาเลย อันนั้นมันแบบดูภาพยนตร์ภาพยนตร์เขาเข า, เขามีเวลาแสดงน้อยเขาเลยต้องยน่นเวลาจากปีมันเหลือแค่นาทีเดียวพอได้สมาธิปับ๊บนาทีหนึ่งออกมาก็เจริญปัญญาได้เลยอีกนาทีหนึ่งก็ดับทุกได้เลยบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้เลยพอคนดูหนังแบบนี้พอมาปฏิบัติก็จะคิดว่าเป็นแบบนี้นั่งสมาธิปับ๊บจิตสงบปับ๊บ ยกจิตขึ้นมาพิจารณาตายลักปั๊บดดพน้นเป็นโสดาบันเป็นอะไรไปได้เลยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยสมัยนี้มีคนบนรรลุกันเยอะบรรลุด้วยแบบนี้ะบรรลุด้วยความคิดแต่ไม่ได้บรรลุด้วยความจริงนี่คือผู้ปฏิบัติขอให้ระวังสมัยนี้ยุคนี้มีคนบนรรลุกันเยอะ แล้วมันจะมันจะบีบบังคับให้เราต้องบรรลุตามเขาด้วยถ้าเราปฏิบัติมาหลายเดือนหลายปีแล้วไม่บรรลุนี่สแสดงว่าเราโง่ชิพายยันต้องบรรลุตามเขาบ้างเขาว่าเขาบรรลุเราก็บรรลุ <c oughs> เขาว่าเขาเห็นไตรลักษณ์เราก็ต้องเห็นไตรลักษณ์เขาว่าเห็นอริยาสัจสี่เราก็ต้องเห็นอริยาสัจสี่แต่ไม่รู้ว่าเห็นอย่างไร ในใจก็ยังกิเลส ย, ยังมีเต็มอยู่ในหัวใจยังอยากได้โน่นอยากมีนี่ยังอยากได้ลาบยศสรเสริญยังอยากสวยอยากงามอยากหลอ่ออยากสาวอยู่นั่นไปทำสาวทําหล่อกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็บอกว่าบรรลุธรรมแล้วไม่ยึดไม่ติดแล้วไม่ทุกข์กับร่างกายแล้วเ <c oughs> มันไม่รู้เหล่าทุกข์เมื่อไหร่ ต้องทุกข์ตอนที่ไปหาหมอเนี่ยหมอบอกเป็นมะเร็งเนี่ยดูที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ตอนนั้นแหละจะเป็นการพิสูจน์ในช่วงนี้มีไข้หวัดระบาดนี่เป็นไงวิตกกังวลกันหรือเปล่าถ้าวิตกกังวลก็ไม่บรรลุแล้วคนที่เข้าบรรลุเขาไม่วิตกกังวละเขาไม่กลัวเขารู้ว่ายังไงก็ต้องเป็นไม่ช้าก็เร็วไม่ต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งเนี่ย คนที่รู้จริงก็รู้ว่าคนเราทุกคนเนี้ยเกิดมาแล้วต้องเจอสามโรคด้วยกันโรคสามชนิดชนิดแรกคือเป็นแล้วหายเป็นโรคหวัดแต่เดี๋ยวสามวันสี่วันมันก็หายรักษาก็ได้ไม่รักษาก็หายเหมือนกันแล้วก็ต้องไปเจอโรคที่สองโรคที่เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายแล้วก็ไปเจอโรคที่สาม รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่ตายลูกเดียวนี่เป็นโรคชนิดที่สามคนที่รู้จริงก็ถึงไม่ค่อยกลัวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเท่าไหร่เพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นขอทานข้างถนนมันก็ต้องเจอสามโลกนี้ด้วยกันทุกคน สามโลกนี้มันบุกไปได้ทุกแห่งนะบุกไปทำเนียบรัฐบาลบุกไปในสำนักพระราชวังมันบุกไปได้ทุกแห่งทุกคนไม่มีอะไรที่จะมากีดกั้นมันได้ที่ไหนมีร่างกายที่นั่นมันจะต้องมีโรคสามชนิดนี้ตามมาอยู่เสมอขอนที่พิจารณาตายลากนี่แหละพิจารณาร่างกายว่าต้องเจ็บเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลวงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วย ไปไม่ได้เนี่ยจะไม่รู้สึกหวาดกลัวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆจะเตรียมตัวรับกับมันจะเตรียมสู้กับมันจะเตรียมรักษาใจไม่ให้ไปหวั่นไหวไม่ให้มันไปวิตกไม่ให้มันไปหวาดกลัวด้วยการปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันเจ็บไปห้ามมันไม่เจ็บไม่ได้มันจะเจ็บก็ต้องให้มันเจ็บไปไม่ต้องไปกลัวเมื่อรู้ว่าห้ามมันไม่ได้กลัวก็ห้ามมันไม่ได้ไม่กลัวก็ห้ามมันไม่ได้ กลัวแล้วทุกข์ไม่กลัวแล้วมันไม่ทุกข์เอาอย่างไรดีกว่าเอาแบบไม่กลัวดีกว่าจะได้ไม่ทุกข์กับมันจะไม่ทุกข์กับมันก็ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายให้ไปทำอะไรต่างๆวันนี้ใช้ร่างกายมาวัดเนี่ย สั่งให้มันมาวัดใครเป็นคนสั่งร่างกายเป็นคนสั่งร่างกายมันสั่งตัวมันเองไม่ได้ดูสร้างศพสิเวลาสร้างศพนี่มันสั่งให้มันย้ายลุกจากลุกจากเตียงมันลงไปนอนในโรงได้เปล่ามันสั่งไม่ได้ร่างกายมันสั่งตัวเองไม่ได้ต้องอัดลอใจผู้รู้ผู้คิดเป็นผู้สั่งแต่ตอนที่ร่างกายตายไปนี้ใจกับร่างกายมันแยกทางกันไปแล้วเป็นเหมือนสามีภรรยาหย่าล่างกันไปแล้ว ไปคนละทิศคนละทางและนะคนที่รู้จริงๆจึงไม่กลัวเพราะคนรู้ไม่ได้เป็นคนตายไม่ได้เป็นคนเจ็บไม่ได้เป็นคนแก่คนแก่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองแก่ไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บไม่รู้ว่าตัวเองตายร่างกายมันไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันตายร่างกายมันไม่มีความกลัวมันไม่มีความกล้าเพราะอะไรร่างกายมันเหมือนต้นไม้นย ต้นไม้มันกลัวอะไรไหมไม่กลัวหรอกกลัวพายุไหมกลัวแรงไหมกลัวภัยอะไรมันไม่กลัวหรอกมันก็อยู่ตามธรรมชาติไปอยู่ได้มันก็อยู่อยู่ไม่ได้มันก็ตายแค่นั้นเองมันไม่มีความรับรู้ดวงวิญญาณไม่มีเกาะติดที่ต้นไม้ร่างกายก็ไม่ร่างกายก็ไม่มีดวงวิญญาณแต่มีดวงวิญญาณมาเกาะแล้วตัวที่กลัวก็ไม่ใช่ร่างกายที่กลัว ตัวที่กลัวก็คือใจผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้ผู้ที่เรากำลังคิดว่าเป็นเราอยู่นี้ก็คือใจนี่เราคิดว่าเราเป็นร่างกายด้วยแต่ความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆให้กับเราเราจึงรักหวงร่างกายมากเพราะถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรแล้วเหมือนเราไม่มีคนใช้ ไม่มีคนใช้เราก็ไม่สามารถที่จะกินจะเดิมอะไรได้อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็กินไม่ได้ร่างกายมันไม่สบายมันไม่อยากกินก็กินไม่ได้แล้ ก, กินไม่ได้หมอบอกห้ามกินให้กินแต่อา่อาหารเสริมอาหารหลอดอาหารมาทางทางสายยางตอนนั้นเราจึงหวงหวงร่างกายเพราะเราอยากจะใช้ร่างกาย พาเราไปหาความสุขต่างๆนั่นเองจนทําให้เราลืมความจริงไปไม่มาสนใจศึกษาเรื่องความจริงของร่างกายกับของเราว่าเราเป็นใครกันแน่เราไปคิดว่าเรากับร่างกายเป็นคนเดียวกันเพราะร่างกายเป็นอะไรเราก็คิดว่าเราเป็นไปกับร่างกายร่างกายแก่เราก็คิดว่าเราแก่ร่างกายเจ็บเราก็คิดว่าเราเจ็บร่างกายตายเราก็คิดว่าเราตาย แต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นคนละคนกับร่างกายเป็นเหมือนคนขับรถกับรถนี่เป็นคนละคนกันคนขับนี้กับรถนี้ไม่มีอะไรกันไม่เกี่ยวข้องกันนอกจากคนขับเป็นคนมาสั่งให้รถวิ่งไปไหนมาไหนเท่านั้นเองให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้เดินหน้าถอยหลังให้วิ่งช้าวิ่งเร็วคนขับเป็นคนสั่ง เวลารถเสียคนขับไม่ได้เสียไปกับรถ <Yeah. S 1> นะนี่เราต้องรู้จักแยกแยะ <Yeah. S 1> เพื่อที่เราจะได้ไม่ไปหวาดกลัวไม่ไปทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกาย <Yeah. S 1> นี่แหละคือวิวธีพิสูจน์ว่ารู้จริงหรือไม่รู้จริง <Yeah. S 1> ต้องดูตอนที่ว่าร่างกายมันเป็นอะไรแล้วใจรู้สึกอย่างไรกับความเป็นความตายของร่างกาย <Yeah. S 1> ถ้าตื่นเต้นตกใจ วุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่แสดงว่าไม่รู้จริงนะถ้ารู้จริงต้องเฉยเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่ได้เป็นอะไรตอนนี้เราเฉยได้ใช่ไหมกับร่างกายเราก็อาจจะคิดว่าเราเฉยไปได้ตลอดอยากจะรู้ว่าเฉยได้ตลอดหรือเปล่าลองให้ลองดูเวลามันไม่สบาย หรือถ้าเราไม่ทันก็ลองให้มันนั่งให้มันเจ็บให้มันปวดขึ้นมาอแล้วก็ดูซิว่าปล่อยให้มันเจ็บมันปวดไปตามเรื่องของมันได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องไปขยับไปขยื่นมันเออถึงจะรู้ว่าเนี่ยเรากับมันเป็นคนละคนหรือเป็นคนเดียวกันถ้าเราไปขยับร่างกายก็แสดงว่าเรายังถือว่าเราเป็นร่างกายอยู่ถ้าเราไม่ขยับร่างกายก็แสดงว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมเราจะให้มันนั่งเฉยๆมันจะเสียหายหตรงไหนนั่งเฉยๆมันปลอดภัยยิ่งกว่าไปทําอะไรสิไปทําอะไรเดี๋ยวก็ล้มหกล้มแต่นั่งเฉยๆมันปลอดภยัยเพียงแต่ว่ามันมีความเจ็บเท่านั้นเองเราจะปล่อยให้มันเจ็บได้หรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันไม่ได้เป็นเราแล้วก็ปล่อยมันได้ใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นเราสั่งให้เขานั่งนี้่เขาเขาจะขยับเราก็เอาไม้ตีเขาได้ ทำไมให้เขาขยับได้แต่ถ้าพอเป็นร่างกายของเราทําไมไม่เอาไม้ตีมันเวลาจะไปขยับมันะทําไมไม่ไปห้ามมันเพราะเราอยากไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายอยู่ะถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายจริงๆแล้วเราจะปล่อยให้ร่างกายมันเจ็บได้ปล่อยให้มันอยู่เฉยๆไม่ต้องไปขยับร่างกายได้ถ้ามันจะตายก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันก็ปล่อยให้มันตายไป ไปทิ้งมันอยู่ในป่าสักเคิลไปอยู่คนเดียวในป่าคนเดียวะมันไม่ใช่เราเราก็เพียงแต่ไปดูมันทั้งเองไปเฝ้าดูมันว่ามันอยู่มันอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าเวลามันจะตายเราปล่อยให้มันตายได้หรือเปล่าอนี่คือการพิสูจน์ถึงจะรู้ต้องปฏิบัติถ้าจะรู้ด้วยความคิดนี้มันเป็นความหลอกยังไม่เป็นความจริง ออยรู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นใจเราเป็นคนสั่งมันร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายก็รู้อยแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้แบบนี้ยังรู้ไม่พอรู้แล้วทำใจได้หรือเปล่าทางฮะที่จะต้องถึงจะรู้ว่าพอไม่พอทำใจให้เฉยๆได้หรือเปล่ากับความแก่กับความเจ็บกับความตาย อย่าว่าแต่ร่างกายของเราเลยร่างกายของแฟนเราทําใจได้หรือเปล่าเวลาจะฝแฟนเขาจะจากเราไปนี่เราทําใจได้หรือเปล่าจากตอนตายยังอาจจะทําใจได้แต่จากตอนเป็นนี่อาจจะทําใจไม่ได้นะตายได้แต่ยามไม่ได้เหนไี <laughs> ่ <laughs> มันเข้ามาแล้วอัตตาโตตนของกูมาแล้วเนี่ยแฟนนี้เป็นของกูขึ้นมาทีเดียวขนาดร่างกายคนอื่นยังปล่อยไม่ได้แล้วร่างกายของเราจะปล่อยได้ไหมเอต้องพิจารณาดูเปรียบเทียบดูกันเบื้องต้นก็ลองมาปล่อยของภายนอกก่อนของที่เราคิดว่าเราเป็นของเราเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนี่ถ้ามันจะไปจากเราไปไปได้หรือไม่ ไปได้ลองเอาเงินไปทําบุญดูเลยข้าวของเงินทองเนี่ยรลองเอาไปทํามันดูเพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันวันใดวันหนึ่งไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตายเนี่ยวินีคือวิธีพิสูจน์ของการปล่อยวางว่าเราปล่อยวางได้จริงหรือเปล่าจะมาโอ้ยฉันปล่อยได้แต่ฉันตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อน อันนี้ก็เหมือนกับคนอบอยจากร่างกายก็ปล่อยร่างกายได้บอยทําพินัยกรรมบอยจากร่างกายแต่ตอนนี้ขอเก็บไว้ใช้ก่อนให้ตอนตายตอนที่ใช้ไม่ได้แล้วอตอนที่เอาไปไม่ได้แล้วถึงให้เขาอันนี้ก็ยังแสดงว่าไม่ปล่อยนการทาบุญนี้เพื่อปล่อยเนี่ยคนที่คิดว่าบอยจากร่างอาบอยจากร่างกายด้วยการ ทำทำหนังสือแจ้งว่าจะบอยจาคนี้ยังไม่ได้บริจาคเพราะถ้าเพราะบริจาคจริงต้องให้เข้าไปเลยเดี๋ยวนั้นเลยเพอเซ็นชื่อเสร็จแล้วเา้าอยากได้ตับได้ไตได้อะไรก็เอาไปได้เลยอย่างนั้นนะ่ะถึงจะเรียวกว่า บ, บริจาคจริงอยังบริจาคเลือดนี่ยอะบริจาคจริงเพอพะให้จริงๆเลยไม่ได้เขียนพิธีกรรมไว้ว่ารอตายแล้วเขาไม่เอาเลือดของเราไปเอ ต่างกันตรงนั้นเพราะขณะที่บรจากตอนที่เราอยู่เรารู้ไงเรารู้ว่าเราได้ปล่อยวางเราได้เสียสละสิ่งที่เรายึดเยาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้พอปล่อยได้แล้วใจเราจะเบาใจเราจะสบายใจเราจะไม่วิตกไม่กังวลกับของที่เราปล่อยไปแล้วเห็นไ้ยเงินทองที่ญาติโยมถวายพระถวายวัดไปแล้วกังวลไหม คอไปคิดถึงว่าเงินของกูอยู่ที่ไหนเมืออะไรรู้เปล่าไม่คิดแล้วเนี่ยเพราะมันถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วแต่ถ้ายังอยู่เป็นของเราอยู่นี่ก็กังวนนลไงจะเก็บไว้ที่ไหนดีที่ไหนดอกดีที่ไหนดอกไม่ดีอมันต้องคิดอยู่แล้วแล้วเวลาหายไปก็ทุกข์อีกเสียใจโกรธอีกใช่ไหใครมาขโมยเงินของกูเนี่ยเนี่ยเวลาไม่ปล่อยมันจะเป็นอย่างนี้ เวลาไม่ปล่อยแล้วเวลาสูญเสียอะไรไปมันจะทุกข์มันจะเดือดร้อนมันจะไม่สบายใจแต่ถ้าเวลาปล่อยแล้วมันสบายมันโล่ง อ, อกไงเนี่ยวัดจึงมาทาบุตรกันคนเราชอบทําบุตรเพราะทําแล้วมันโล่ง อ, อกโล่งใจสบาย อ, อกสบายใจเงินทางที่มันทําให้เราหนัก อ, อกหนักใจนี่มันออกจากอกละออกจากอกออกจากหัวใจเราไปได้แล้วรู้สึกสบายรู้สึกโล่งขึ้นมาอนี่คือ การมีปัญญามีปัญญาที่เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ช้าก็เร็วเรากับมันก็จะต้องแยกทางกันไปไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายเราจากกันเราปล่อยมันได้หรือเปล่าถ้ารู้ว่าปล่อยได้หรือไม่ได้อยากจะรู้ก็ต้องไปทดลองดูเรื่องความเจ็บก็นั่งให้มันเจ็บไปจะได้รู้ว่าต่อไปจะได้ไม่กลัวโลกภัยไข้เจ็บ เวลาเวลามีโรคภัยใค่เจ็บก็รู้ว่ามันก็ต้องก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายหรือจนกว่ามันจะตายเนี่ถ้ามันหายเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ถ้ามันตายแล้วมันถึงจะไม่กลับมาใหม่นี่ก็นี่คือความจริงที่เราต้องกล้าศึกษากัน อย่าไปกลัวการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นการสาปแช่งให้เราตายให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกับหมอที่เรียนซากศพไม่ได้ไม่ใช่หมอไปเรียนซากศพแล้วเดี๋ยวหมอจะกลายเป็นซากศพด้วยที่ไหนเห็นไหะหมอเรียนซากศพเพื่อจะได้รู้ว่าร่างกายนี้มีอวัยวะที่ไหนบ้างมีหน้าที่ทําอะไรอย่างไรแล้วเวลาที่จะต้องรักษาต้องผ่าตัดต้องผ่าอย่างไรเขาก็ต้องไปศึกษาจากซากศพ การไปศึกษาจากซากศพไม่ได้ทําให้คนศึกษากลายเป็นซากศพไปด้วยการพิจารณาเรื่องความตายเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันไม่ได้ทําให้คนให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปทันทีทันใดที่ไหนมันไม่ได้เป็นมันเพียงแต่เป็นวิธีศึกษาเพื่อสอนใจให้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอย่างไรทําอะไรได้หรือไม่ได้อย่างไรเพื่อที่จะได้จะไม่ต้องมาวุ่นนายใจไม่ต้องมาเครียด ที่เครียดเพราะทำพยายามทาในสิ่งที่ทำไม่ได้กันพยายามป้องกันไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่ว ย, ยมันก็เครียดเนี่ยคอยมีข่าวขาวมีอะไรนิดหน่อยขึ้นมามันก็เครียดละเอาไ้มันจะมาทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไปด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่าเราก็ดูแลให้ดีที่สุดไปแต่มันยังไงไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องเจ็บมันไม่เจ็บจากข้างนอกมันก็เจ็บจากข้างใน อวัยวะต่างๆต่อไปมันก็เสือเส่อมลงไปเสื่อมลงไปตับก็เสื่อมไตก็เสื่อมหัวใจก็เสื่อมบอดก็เสื่อมเไม่ต้องมีโครคภัยไข้เจ็บข้างนอกมันก็มีภัยที่อยู่ข้างในคือความเสื่อมของร่างกายมันก็จะกลายเป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาต่อไปนี่คือการศึกษาเพื่อให้เราเรียนรู้และยอมรับความจริงของร่างกายแล้วให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเรา เพียงแต่ตอนนี้เราไปยึดไปติดไปเอาสายร่างกายเนทะ่านั้นจึงทำให้เราเครียดกับมันเราต้องมาเปลี่ยนวิธีห า, าความสุขกันอย่าหาความสุขโดยใช้ร่างกายมาหาความสุขจากการมาสร้างสติมาทำใจให้สงบแล้วเราจะได้ความสุขจากการความสงบนะแล้วต่อไปเราก็จะเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ พอเราไม่ต้องใช้เครื่องนั่งกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนกับถ้าเราไม่ต้องใช้รถยนต์ได้เราก็ไม่เดือดร้อนรถจะยางแตกก็ไม่ยางแตกแบตเตอรี่จะเสื่อมไม่เสื่อมรถจะสตาร์ตติดไม่ติดเราก็ไม่เดือดร้อนไว้ม no ันจอดมันท no ิ้งไว้อย่างนั้นเน่ยเพราะเราไม่ต yep. ้องใช้มันแล้วเพราะเราสามารถอยู่บ้านอย่างมีความสุขได้เราก็ไม่ต้องออกนอกบ้าน จันใดถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วทำใจของเราให้สงบได้แล้วเราก็เลิกใช้ร่างกายได้พอรเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องพึ่งมันเรายังสามารถมีความสุขได้เหมือนเดิมความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่พึไม่ต้องพึ่งร่างกาย ความสุขที่ได้จากความสงบ พ, พึ่งสติพึ่งปัญญาเขอให้เรามาหาสติหาปัญญากันดีกว่ามาหาสตังกันหาสตังก็ต้องพึ่งร่างกายใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขต่างๆพอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บโดยร่างกายจะตายก็จะไม่สามารถไปหาความสุขได้เราก็จะทุกข์เราก็จะทุกข์ ก, ก, กับความแก่ความเจ็บกับความตาย นี่แหละคือเรื่องเราที่อยากจะเอามาฝากท่านในวันนี้คือเรื่องการหาสติเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้ตัวที่จะมาแก้ปัญหาทั้งหมดี้เริ่มต้นที่ทตัวสตินี่แล้วตัวสติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยกรรมาฐานเช่นพุทโธพุทโธให้มีอะไรผูกใจยึดใจไว้ให้หยุดคิดให้ได้แล้วจิตก็จะนั่งสมาธิเข้าสู่ความสงบได้ ได้ความสุขแล้วก็เลิกใช้ร่างกายไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ใจก็จะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องของร่างกายกต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะาวาริวหาปุราปะริปุเรินติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกาปติ อิทิต่างปฏทิต่างตุมหังกิปะเมวาสัมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปันาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวาจันโต สัพพโรโควินาทสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีฤทธานิจังวุฒาปจายโนยัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขางภาละ ช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคาถามอะไรอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยพอหลังจากเลิกแล้วจะของดถามเพราะไม่สะดวกจะต้องทำอย่างอื่นต่อมีอะไรถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา705 YouTube 415วิทยุออนไลน์15รับฟังข้างบนนี้83คนรวมทั้งหมด 1,218 ครับออวันนี้ f a c e b o o k ขึ้นถึง700นะั้างแรงเเดี๋ยวให้ทางผู้หญิงก่อนน ะ, ะเบสเนนเน้อนอสการ์จ้าซะขอถามว่า เหมือนปกติจะไปทําบุญสังฆทานกับหมู่คณนะเหมือนมีเจ้าภาพใหญ่ที่เขาจัดไว้สาสิบชุดเันี้ยเจ้าค่ะแล้วเราก็จะไปร่วมกับเขาแต่มีคนมาทักเราว่าเหมือนไปร่วมกันเยอะๆจะได้บุญน้อยเหมือนให้เราไปทําเองของเราต่างหากอะไรค่ะรอ่ๆอ๋อไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวที่ว่าเราทํามากทําน้อยปริมาณเงินที่เราเสียสละไปเท่านั้นเองเสียสละมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อย ไม่ได้ว่าจะไปทําคนเดียวแล้วทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ไหนไม่สําคัญะสาคัญอยู่ที่การเสียสละของเราการบริจาคของเราอตอนแรกโยมก็คิดแบบนั้นเจ้าคะ่ะแล้วก็พอเขามาทักมันก็เลยงงแล้วก็เรื่องอีกอันนึงคือเขาบอกว่าการแผ่เมตตาสมมุติเรามีคนที่เราอยากจะแผ่ทั้งหมดสิบคนใช่ไหมคะแต่สองคนเราอยากให้มากที่สุดเขาบอกว่าเหมือนสมมติถ้าเราอยากให้มากสองคนนี้ เราต้องแผ่ให้เฉพาะสองคนนี้ให้คนอื่นไม่ได้บุญมันจะทอนลงไปโยมก็มเลยงงอ่ะ ไ, ไม่ใช่การแผ่เมตตามไม่ใช่เป็นเหมือนกับการกระยับยเสียงโยมเฉยๆหน่อยได้ไหมจะพูดอะไรพูดให้พอครับไม่พูดก็รีบทําให้เสร็จเพราะกําลังมันรบกวนกันนะ เ, เวลาจะพูดจะคุยกันอย่าคุยกันคือการแผ่เมตตานี่คือการให้ความสุขกับผู้อื่น ต้องให้ตนต่อหน้าต่อตากันไม่ใช่มานั่งแผ่แบบขยายเสียงเนี่ยไม่ใช่นะเช่นอยากจะแผ่ให้คนนี้ร้อยหนึ่งก็เอาเงินไปให้เขาร้อยหนึ่งเลยเนี่ยอันนี้หมายถึงผู้ล่วงรับไปแล้วค่ะาผู้ล่วงรับแล้วแผ่ไม่ได้แล้วอุทิศบุญได้นะนอกจากเข้ามาพบเราเรานั่งสมาธิเขาเป็นดวงวิญญาณเข้ามาหาเราทางสมาธิเราก็ต้อนรับเขาถามสารทุกข์สุขดิบเขาหนึ่งจะเรียวกว่าแผ่เมตตาเออ มันไม่ใช่นั่งอยู่ดีแล้วส่งให้ดวงวิญญาณร้อยแปดพันประการที่มันไม่มันไม่ใช่หรอกมันไม่มีการแผ่แบบนั้นแผ่ไม่ได้คำว่าสัพพสารหมายถึงทุกๆคนทุกสัตว์ทุกบุคคลที่เราพบปะเวลาที่เราพบปะกับเขา<ม>ต้องแผ่ตอนที่เราพบกันเป็นความสัมพันธ์ทําไมตรีคําว่าเมตตก็คือาการมีไมตรีจิตต่อกันออ<ม>ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนกับ ก็แผ่ความรู้สึกไปว่าอ๋อขอให้คุณมีความสุขนี้มันแล้วถ้าอุทิศบุญหลังจากที่ตอนยะ่ายค่ะแล้วเราแผ่ให้ญาติบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อก็อุทิศได้ไงถ้าอุทิศหลายคนก็ต้องแบ่งกันเท่านั้นสิอ๋อมันต้องแบ่งกันใช่ไหมอ่าเนี่จะยที่โยมกำลังกงว่าเหมือนว่าถ้าอยากให้ตาตากยายก็คือชอให้ตากรยัยก่อนแล้วรอบหน้าเราอยากทำโอื่นก็ถ้อยใช่ก็ทำสองเท่าถ้าอยากให้คนหนึ่งก็ทําอีกสองอีกกองหนึ่งไปอ๋อทำสองกองเนาะเพราะถ้าเราแผ่หลายๆคนมันก็กระจายใช่ไหมคะก็บุญมีเท่านั้นอ่ะมันก็ต้องแบ่งกันไปโอ้ยเกียร์ค่ะ คือแผ่บุญกับแผ่เมตตาคนละเรื่องกันเมตตานี้ต้องให้การต่อหน้าต่อตาเวลาเจอกันให้ของขวัญกันให้อะไรกันอย่างนี้เรียกวให้ความเมตตาหรือให้อภัยกันนี่ก็เรียกให้ความเมตตาแต่ถ้าแบ่งอาหารแบ่งความสุขทางใจให้กับดวงวิญญาณนี้ก็เรามีความสุขแค่นี้ถ้าแบ่งให้ถ้าให้คนเดียวเขาก็ได้เต็มร้อยไป ถ้าแบ่งให้สองคนเขาต้องแบ่งเงินไปคนละห้าสิบเนีย่ยน้อยละห้าสิบไปขอบคุณค่ะ ค, ค, ค, คำถามจากข้างบนนี้นะครับคำถามแรกตอนจะตายถ้าจะทำจิตอย่างไรไม่ให้ตก ในอบายอันนี้เทียบกับตอนป่วยพุทโธก็สู้เวทนาไม่อยู่จับลมก็แผ่วถ้าฝึกไม่ถึงไหนควรจะทําอย่างไรครับก็ต้องทําำท้่แต่บัดนี้ต้องซ้อมไปเรื่อยๆเหมือนนักมวยนักมวยต่อไปจะต้องขึ้นเวทีจะแพ้ชนะก็ต้องอยู่ที่ตอนก่อนจะขึ้นเวทีว่าซ้อมมากซ้อมน้อยถ้าซ้อมมากเราก็ได้ โค้ดที่ดีได้คู่คซ้อมที่ดีก็จะชนะคู่ต่อสู้ได้ถ้าจะมาไปซ้อมตอนที่ขึ้นเวทีก็ถูกเขานอกแั้นะเห็นคนเราชอบชอบพูดถึงจิตสุดท้ายตอนที่ขึ้นเวทีแล้วแล้วค่อยจะมามาซ้อมนี่ซ้อมไม่ทันแล้วจะถูกเขาซ้อมมากกว่า ดิฉันี่ให้พรพเจ้าสอนให้เราปฏิบัติทั้งวันนี้ก็เพื่อให้เตรียมพร้อมกับจิตสุดท้ายของเราที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในจิตสุดท้ายไม่ว่าจะตายหรือจะเจ็บเนี่ยมันเราต้องซ้อมตั้งแต่ตอนนี้ต้องฝึกสติเป็นตัวสำคัญที่จะดึงที่จะรักษาจิตให้เราเฉยได้กับความเจ็บความตายถ้าไม่ซ้อมไม่มีสติไม่มีปัญญานี่ พอเจอความเจ็บความตายก็ทำอะไรไม่ได้กิเลสเอาไปกินเม็ดกิเลสซ้อมเรากิเลสสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความทรมานให้กับเราคำถามที่สองครับถ้าเราขายของที่เป็นน้าพริกเผาและปลาร้าสำเร็จรูปไม่ทราบว่าจะเป็นบาปไหมครับเพราะว่ามีส่วนผสมของสัตว์ครับถ้าสัตว์นั้นไม่ได้ตายเพราะเราหรือสั่งให้เขาฆ่านี้เราไม่บาปเนะี่ย ถ้าไปซื้อสัตว์ที่ตายแล้วในตลาดมาทำกับข้าวนี้ไม่บาปนะแต่ถ้าเราไปสั่งเขาล่วงหน้าก่อนวนะ่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวนี่บาปเนะี่ยเพราะเมื่อเราสั่งเขาเขาก็ต้องไปหาไก่มาขายเราสามตัวแต่ถ้าเราไม่ไปสั่งเราไปดูที่ตลาดว่ามีอะไรหรือเปล่ามีเราก็ซื้อไม่มีเราก็ไม่ซื้ออันนี้เราก็ไม่บาปเนะ่ คำถามจากข้างบนนี้นะครับคำถามแรกทำไมชีวิตหนูลำบากจังเจ้าคะเพราะอะไรทำอย่างไรถึงจะดีขึ้นและมีบ้านอยู่ที่กรุงเทพจะขายได้ไหมครับเพราะทำบุญน้อยทำบาปมากชีวิตก็เลยลำบากคนที่ทำบุญมากกว่าทำบาปชีวิตก็จะสบายกว่าบ้านจะขายขายง่ายนิดเดียวขายราคาถูกๆด้วยขายครึ่งราคาลดห้าสิบเปอร์เซ็นตนิดเดียวแย่งกันมาซื้อกันนะ ครับแล้วขอกลับเรียนถามว่าที่ขายของปัจจุบันนี้จะขายได้อีกนานไหมครับอก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเรายังไม่รู้จะอยู่นานหรือเปล่าเลยก็อยู่เท่าที่มันอยู่ได้ขายมันเท่าที่มันขายได้จะไปกังวลอะไรกับมันทาไม คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโยมได้รับมรดกบ้านและที่ดินจากบิดาให้เป็นชื่อโยมแต่พี่น้องไม่พอใจอยากขอส่วนแบ่งทั้งที่บ้านนั้นก็มีไว้ให้ใหอยู่อาศัยไม่ได้มีไว้ขายเจ้าค่ะโยมไม่พร้อมจะออกบวชจึงยังต้องอาศัยอยู่กับลูกหลานในบ้านหลังนี้พี่น้องโกรธและตัดขาดทั้งที่สัญญาว่าถ้าขายจะให้ส่วนแบ่งตอนนี้ไม่ไม่มีเงินจะให้เขาไปสร้างบ้านใหม่แล้วครับมีกัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วพี่น้องเรามันไม่ได้อยู่ยุดมันไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันมันเป็นอยู่ที่เงินที่ทองมากกว่าเห็นเมื่อขัดผลประโยชน์กันแล้วมันก็โกรธกันเป็นธรรมดาก็อย่าไปถือเราอย่าไปขัดเราอย่าไปไม่ถือว่าเขาเป็นพี่น้องเราแล้วก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องเหมือนเดิมแล้วถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเขาไปแต่เรื่องเขาจะโกรธเขาจะอะไรนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะเลือกถือเราเป็นพี่เป็นน้องก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ต้องทําตามเขาเพราะมันเป็นการกระทําที่ผิดเป็นการกระทําที่เกิดจากกิเลสเกิดความโกรธครับและควรวางใจอย่างไรเพื่อให้ใจนั้นเป็นอุเบกขาครับก็คิดว่าพี่น้องก็เหมือนฝนฟ้าอากาศนะ จะไปห้ามเขาไม่ได้เวลาฝนจะตกแดดจะออกไปสั่งเขาไม่ได้พี่น้องเขจะทำอะไรจะคิดอะไรแล้วก็ไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่นั่งสมาธิแล้วดูร่างกายรู้สึกร่างกายทุกส่วนพร้อมกันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเช่นรู้ตัวว่านั่งท่าไหนมือวางตรงไหนพร้อมกันและเห็นจิตรวมเป็นหนึ่งเข้าสู่ความว่าง ทำให้เห็นว่าฐานของกายและจิตยอยู่คนละฐานกันเหมือนแยกออกจากกันว่ากายเป็นบ้านทําได้ทั้งลืมตาและหลับตาเจ้าค่ะแต่ทําได้เป็นสภาวะเนื่องด้วยว่าสติไม่ต่อเนื่องไม่ทราบว่าหนูคนทําอย่างไรเพื่อสามารถทําให้ต่อเนื่องได้เจ้าค่ะก็ทําบ่อยๆเนี่ยทาอยู่เรื่อยๆมันก็จะต่อเนื่องเองคุณอัชราโยมบริจาคร่างกาย เพราะไม่อยากให้ใครมาเป็นภาระโยมสาธุหมดลมถึงให้เขามารับสังขารไปทำคุณประโยชน์ตายแล้วขอทำดีใช้ร่างกายอุทิศให้คนอื่นได้เรียนรู้ต่อไปโยมจะได้บุญใหม่เจ้าคะ่ะไม่ได้บุญจากการเสียสละร่างกายเพราะยังไม่ได้เสียสละเสียก็ตอนที่เราตายไปแล้วเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาร่างกายไปทำอะไรแล้วนั้น บุญคือความสุขใจไม่เกิดจากการเสียสละแบบนี้เพราะยังไม่ได้เสียสละคำถามต่อเนื่องนะครับบุญที่โยมกล่าวหมายถึงจะไปสู่ในภพที่ดีไหมเจ้าคะก็เหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้ทำเพราะว่ามันไม่ได้เสียต้องเสียตอนนี้เสียถ้าเช่นแม่เป็นโรคไตาวายแล้วเบอร์จากไตให้แม่ไปไตหนึ่งนี้อย่างนี้จะได้บุญเพราะเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาในใจว่าเราได้เสียสละ แต่วเเกิดความสุขใจขึ้นมาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคำถามแรกอีกไม่กี่เดือนคนที่เคยร่วมงานสาขาเดิมจะย้ายมาอยู่ร่วมงานสาขาเดียวกันและปัจจุบันนี้ไม่ได้คุยกันเนื่องจากปัญหาเรื่องงานครั้งก่อนครับจะทําใจและวางใจอย่างไรครับก็ไม่ต้องคุยกันต่อไปถ้าไม่มีธุระจะต้องคุยก็ไม่ต้องคุยถ้าถมีเวลาโทระคุยก็คุยไปทําตามหน้าที่ไป คำถามที่สองการทำบุญทำทานหรือทำอะไรแม้กระทั่งช่วยเหลือผู้อื่นจะตั้งปรารถนานิพพานอย่างเดียวไม่ค่อยได้อุทิศให้ผู้ล่วงลับไปหรือญาติแบบนี้ทำถูกต้องไหมครับก็ถูกถูกในเรื่องการทำทานแต่ผิดในเรื่องการอธิษฐานขอผลเพราะทำทานไม่สามารถพาเราไปนิพพานได้ทำทานอย่างเดียวไปได้แค่สวรรค์ท่านเทพ ถ้าไม่อุทิศบุญผู้ร่วงรับไปแล้วเขาก็ไม่ได้ส่วนบุญที่เราได้ทำถ้าอยากให้ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วได้ส่วนบุญที่เราทำด้วยเราก็ต้องอุทิศอุทิศก็ไม่ต้องรองให้มีพระมาสวดหรือมีน้ำมาเทให้อุทิศด้วยใจให้เวลาเราทำบุญทำความดีเสร็จเราเกิดความสุขใจเราก็บอกขอแบ่งความสุขใจนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้ว ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับความสุขใจส่วนนี้ไปด้วยคำถามที่สการฝึกสติใช้พุทโธต่อเนื่องเหมือนที่พระอาจารย์เมตตาสอนจิตสงบดึงความคิดกลับมาได้ดีครับแต่บางทีลองฝึกสติแบบดูลมเข้าออกแต่ดูไม่เป็นดูอย่างไรครับพยายามทำความรับรู้ที่ลมเข้าออกแต่ทำไม่ได้ครับ ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำใช้พุทธโธไปแทนได้ใช้แทนกันได้คำถามจากคุณนุขอความเมตตาพระอาจารย์ครับการหล่อพระถือว่าเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาไหมครับและถ้าได้ขึ้นชื่อว่าทำบุญสืบต่อพุทธศาสนามีแนวไหนบ้างครับการจะสืบต่อพระพุทธศาสนาได้ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็นำาเอาพระธรรมคาสอนไปปฏิบัติ จนบรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆหลังจากนั้นก็เอาความรู้ที่ได้จากการบรรลุเป็นพระ อ, อริยนี้ไปสอนผู้อื่นต่อไปถึงจะเป็นการสืบทอดศาสนาเพราะาศาสนาไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่เจดีย์อยู่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คำถามจากคุณแมมขณะนี้ญาติของลูกป่วยนอนติดเตียงต้องล้างไตและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคุณหมอบอกว่าไม่สามารถรักษาให้กลับมาเหมือนเดิมได้เป็นการรักษาที่ไร้ประโยชน์แนะนําให้หยุดและปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามธรรมชาติครับหากลูกทาตามที่แพทย์บอกแล้วจะเป็นบาปไหมครับเพราะต้องตัดสินใจแทนคนป่วยเพราะคนป่วยนั้นไม่มีสติรับรู้แล้วครับ อ, อ, อ, อก็ไม่บาปแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติไป ก็รักษาก็ไม่หายแทงกลับไปปรวินความทรมานให้นานยาวขึ้นงนั้นปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องไปคำถามต่อไปจากคุณเย็นการกรวดน้ำถือเป็นสาระสำคัญของการทำบุญไหมครับหากทำบุญแล้วไม่กรวดน้ำจะได้บุญไหมครับอ่อไม่เป็นสาระสำคัญการกรวดน้ำในความจริงหมายถึงการอุทิศบุญ การอุทิศบุญนี้เป็นการแบ่งบุญที่เราได้ทาที่เราได้จากการทำบุญของเราเราอยากจะให้คนที่ล่วงลับไปแล้วที่เ้าไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้บุญเราก็สามารถแบ่งบุญนี้ไปให้เขาได้ด้วยการอุทิศบุญทีนี้การอุทิศบุญเขาก็นิยมใช้น้ำเป็นเขาเรียกว่ากรวดน้ำแต่ความจริงกวดน้ำนี้เป็นการเอาน้ำมาทำเป็นตัวอย่างของบุญ ลวลาเราเทน้าออกจากภาชนะหนึ่งไปสู่อกีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนเราถ่ายบุญจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งเท่านั้นเองงั้นเวลาถ้าต้องการอุทิศบุญไม่ต้องใช้น้ำก็ได้เพียงแต่ให้เราอธิษฐานจิตว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้นี้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้าท่านรอรับบุญส่วนบุญนี้อยู่ก็ขอให้ท่านมารับไปได้เลยเหอันนี้ก็เสร็จเรื่องของการอุทิศบุญ ถ้าไม่อุทิศบุญบุญก็ยังได้เหมือนเดิมอยู่ไม่ได้สองต่อไม่ได้สองแดงถ้าอุทิศบุญด้วยก็ได้อีกแดงหนึ่งได้บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญให้แก่ผู้อื่นคำถามจากคุณวารินปฏิบัติอยู่แล้วเห็นความคิดเกิดขึ้นมาเป็นภาพเกิดขึ้นมาเป็นฉากฉากเจ้าค่ะจะหยุดความคิดได้อย่างไรครับ ก็เราใช้พุทธโธนะใช้คำบริกรรมหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ส่วนอิติปิโสไปหลายหลายจบเดี๋ยวถ้าเราอยู่กับการสวดมนต์แล้ว อ, อยู่กับการบริกรรมพุทธโธเดี๋ยวภาพต่างๆมันก็จะหายไปคำถามจากคุณพัชระถ้าเราจะเอาปฏิทินเก่าที่มีรูปพระพุทธรูปทิ้งเราจะบาปไหมครับ ทางที่ดีก็ทิ้งให้มันแบบมิดชิดไม่ให้ใครเห็นดีกว่าไปฝังดินหรือไปเผาไปถ้าไปทิ้งบนกองขยะแล้วมันดูล้าไม่เหมาะสมกับสิ่งที่สูงที่ไปตกอยู่บนกองขยะเันควรจะทำลายให้มันไม่มีซากเหลืออยู่เลยเช่นศาลพระภูมิพระพุทธรูปที่มัน หูแหวงจมูกแหวงอะไรพวกนี้ก็อย่าไปทิ้งไว้บนทนไม้เลยเอาไปทุบให้มันละเอียดกลายเป็นดินไปเลยดีกว่าเพราะมันก็ทามาจากดินมันเป็นดินเท่นั้นเองแต่ถ้ามันยังเป็นรูปอยู่แล้วไปทิ้งในที่มันไม่เหมาะสมแล้วดูแล้วมันทำให้คนเห็นแล้วมันรู้สึกไม่มีความสุขมองมองแล้วเห็นจะสมเพศเวทนา คำถามจากคุณเย็นมีคนบอกว่าการทําบุญจะได้บุญต้องรู้สึกมีความสุขจริงไหมครับถ้าทําบุญแล้วรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์แบบนี้ได้บุญไหมครับบางทีมันก็ได้แต่มันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แบบแบบมีรสมีชาติเนี่ยคือบางทีเราทําบุญไปเช่นเราบริจาค สร้างอะไรไปแต่เราไม่รู้ผลที่จะได้จากการบริจาคสร้างของนี้จะได้ประโยชน์อะไรเราก็เลยอาจจะไม่มีความรู้สึกสุขใจแต่อย่างน้อยเราก็ได้ความรู้สึกที่ว่าเราได้เสียสละได้เราอินดีที่สละของที่เป็นของเราไปมันก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งคือเราชนะความตเนี่ยชนะความหวงได้ อันนี้ก็เป็นบุญแต่ถ้าเรารู้ว่าเราช่วยบริจาคสร้างโรงพยาบาลแล้วเวลาคนไข้ามาจะได้มีที่รักษาพยาบาลนี้างนี้เราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาด้วยเพรนั้นบางทีทําบุญบางทีเราก็กวรจะรู้ว่าทําแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรเพื่อที่เราจะได้ได้ได้บุญอย่างเต็มร้อย ได้บุญจากการเสียสละแบ่งปันหรือชนะความตณ์ีแล้วก็ได้บุญจากความรู้สึกที่เราได้แผ่เมตตาช่วยเหลือผู้อื่นค่ะคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามทรัพย์สินของผู้ที่ตายไปแล้วถ้าเราเอาไปขายและเอาเงินไปทําบุญให้กับผู้ตายผู้ตายจะได้รับบุญไหมครับมันไม่ได้เป็นของผู้ตายแล้ว ผู้ตายนี้เวลาตายไปแล้วทรัพย์สินทั้งหมดนี้กลายเป็นของคนอื่นไปงั้นถ้าผู้ตายอยากจะได้บุญต้องทำตอนที่ผู้ตายยังไม่ได้ตาย คำถามจากผู้ฝากถามน้องสาวถามว่าทาไมต้องนั่งสมาธิแค่คิดดีทำดีก็พอแล้วหนูไม่รู้จะตอบน้องว่าอย่างไรเจ้าคะ่ะก็ได้ความสุขน้อยกว่านั้นคิดดีพูดดีก็ได้ความสุขแต่นั่งนั่งสมาธิแล้วได้ความสุขหลายเท่ามากกว่าการคิดดีพูดดีคำถามจากคุณนาวินการบรรลุธรรมขั้นสกิทาคามีสังเกตได้จากอะไรครับ คือความอยากในการเสพกามน้อยลงเบาบางลงเคยเป็นคนบ้ากามแล้วก็กลายเป็นคนไม่บ้าคือยังเสพอยู่แต่ไม่ถึงกับขั้นบ้าคือไม่ต้องเสพทุกวันนานๆนนทีอะไรทำนองนี้เรียกว่าการทำความอยากเสพกามให้เบาบางลงก็จะเป็นพระสะกิรดาคามี ถ้าเป็นพระนาคามีก็กำจัดความอยากเสพกามให้หมดไปเลยร้อยเปอร์เซนไม่มีความอยากที่จะเสพกามอีกต่อไปพอะทุกครั้งที่เห็นร่างกายที่อยากจะเสพกามด้วยกลายเป็นซากศพไปเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นอาการสามสิบสองไปก็เลยความอยากจะเสพกามมันก็เกิดไม่ได้คำถามจาก ผู้ฝากถามผู้ที่มีศีลไม่บริสุทธิ์จะเข้าถึงสมาธิได้หรือไม่ครับยากดิ่เหล้าเมาไม่นั่งสมาธิไม่ได้หรอกต้องมีสติไม่ต้องมีถ้าไปขโมยจิตใจมันก็วุ่นวายกับการกลัวจ ะ, จะถูกตำรวจตามจับตามล่ามันก็ไม่มีกำลังที่จะดึงจิตให้สงบได้เฉะนั้นต้องมีศีลคือไม่มีเรื่องมีราวกับใคร พอไม่มีเรื่องมีราวใจก็ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเวลานั่งสมาธิมันก็สงบง่ายคำถามจะคุณสรัญญานั่งสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัดควรทาอย่างไรดีเจ้าคะควรนั่งต่อหรือพิจารณาอย่างไรดีเจ้าคะ่ะถ้ายังนั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนลุกขึ้นมาเดินจงกรมเดินสมาธิแทนนั่งสมาธิเดินไปก็พุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก่อน เพราะว่าสติเรายังมีกำลังน้อยอยู่พอนั่งแล้วมันจะรู้สึกอึดอัดพอเราเดินจมกรมสร้างสติขึ้นมาพอเราเดินเมื่อยแล้วเราก็ลงไปนั่งต่อเรามีสติมากขึ้นแล้วกำลังของร่างกายก็น้อยลงมันไม่อยากจะเดินแล้วมันอยากจะนั่งมันก็ทำให้การนั่งนี้ไม่อึดอัดได้คำถามจากผู้ฝากถามถ้าหากเป็นพระขุดดินตัดต้นไม้ตัดหญ้าเป็นอาบัติไหมครับ เป็นตามพระวินัยก็เป็นอาบัติเพราะว่าต้นไม้ในสมัยโบราณเขาถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตถ้าไปตัดต้นไม้ก็เหมือนกับไปตัดแขนตัดขาคนเก็เลยห้ามพระไม่ให้ไปตัดต้นไม้ไม่ให้ไปตัดหญ้า ขุดดินก็เดี๋ยวก็ไปขุดเจอตัวไปตัดตัวหนอนตัวไส้เดือนขาดตายได้ก็เลยไม่ให้ไปขุดดินถ้าจะทำต้องให้ศรัทธายาโยมเป็นคนทำแทนให้ก่อนหรือว่าถ้าไม้เขาตัดออกตัดกิ่งมาแล้วทีนี้เรามาตัดต่อได้สพว่ายาโยมตัดกิ่งออกมาจากต้นไม้แล้วทีนี้มันถือว่ากิ่งนั้นตายแล้วทีนี้พระก็มาตัดกิ่งนั้นให้มันเป็นท่อนเล็กๆต่อไปได้ คำถามจากคุณอัจชราการแผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบจะมีผลที่ดีอย่างไรครับก็ทําให้เราชอบเขาสิเขาก็จะได้ชอบเราเวลาเจอให้เขาก็ยิ้มให้เขามีขนมก็มาฝากเขาเขาทำอะไรทําให้เราไม่พอใจก็ให้อภัยเขาเดี๋ยวเขาก็รักเราเองะคําถามต่อไปจากคุณฟูการที่คนทําพินัยกรรมก่อนตายให้มูลนิธิหรือวัด เขาจะได้บุญจากการบริจาคนี้หรือไม่ครับได้เต็มหรือไม่ครับถ้าให้ตอนตายไม่ได้บุญนะถ้าให้ตอนที่ยังไม่ตายก็ได้บุญนะคาถามต่อไปจากคุณอัชาราอุปทานกับไตรลักษณ์หมายความว่าอย่างไรและต่างกันคนละความหมายขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายไตรลักษณ์ด้วยเจ้าค่ะคําว่าไตรลักษณ์คือไตรแปลว่าสามลักษแปลว่าลักษณะ ลักษณะสามที่มีอยู่กับสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีสามลักษณะคือหนึ่งไม่เที่ยงไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมแล้วถ้าใครไปยึดไปติดกับสิ่งที่เจริญหรือสิ่งที่ไม่เที่ยงก็จะต้องทุกข์เพราะเวลาไปยึดติดกับใครก็อยากจะให้เขาเที่ยงนั่นเองอยากจะให้เขา อยู่เหมือนเดิมพอเขาเปลี่ยนไปพอเขาเสื่อมไปก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอนัตตาก็คือเป็นสิ่งที่เราไปสั่งเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นของเราสั่งให้เขาเที่ยงไม่ได้สั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอนี้คือตายรักส่วนอุปท า, านก็คือความไปยึดติดการไปยึดติดสิ่งที่เป็นตายรัก ยึดติดแล้วก็อยากให้เขาไม่เป็นตายรักอยากให้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งอยากให้เขาเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นตายรักแต่เป็นตายรักอีกแบบหนึ่งเป็นนิจจังสุขังอัตตาซึ่งไม่ได้เป็นความจริงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคาถามจากคุณอ้อย หากมีเวลาน้อยสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิโดยไม่เดินจงกรมก่อนได้ไหมครับได้เดินจงกรมนี่เป็นเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ถ้าเรานั่งไม่ได้หรือนั่งแล้วง่วงก็เปลี่ยนเป็นการเดินแทนคําถามจากคุณสุพันธ์มีเวลาสวดมนต์ไหว้พระจะหาวบ่อยๆเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะมันถึงเวลาต้องเดินไงก็ลกขึ้นมาเดินก่อนเดินให้มันหายง่วงก่อน บางทีกินข้าวอิ่มแล้วมานั่งไหว้พระสวดมนต์มันก็ง่วงนะคำถามจากผู้ฝากถามเราจะลดความอยากได้อย่างไรครับก็อย่าไปทำตามเหมือนฝืนเหมือนทุกครั้งที่อยากก็อย่าไปทำตามเหมือนแล้วความอยากมันก็จะลดลงไปเองอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเดี๋ยวความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปอยากจะดื่มเหล้าถึงเวลาก็อย่าไปดื่มเดี๋ยวความอยากดื่มเหล้ามันก็หายไปหมดไป คำถามจากคุณปักผมนั่งพุทโธในใจไม่ได้ครับควรท like ําอย่างไรครับก um ็พุทโธเสียงไปก่อนก็แล claro ้วเบาๆพุทโธพุทโธพุทโธไปก่อนคําถามจากผู้ฝากถามตอนสวดมนต์ก่อนนอนเห็นมือตนเองกลายเป็นมือผีคืออะไรและควรทําอย่างไรเจ้าคะก็ให้รู้ว่ามือของเราต่อไปมันก็ต้องเป็นผี ร่างกายของเราต่อไปก็ต้องเป็นผีเป็นซากศพคำถามจากคุณกุ้งที่ว่าพระตัดต้นไม้ไม่ได้นั้นแต่ให้คารวะาเป็นคนทาและคารวะาต้องรับบาปแทนหรือไม่ครับมันไม่บาปหรอกพระตัดก็ไม่บาปที่ความเชื่อของคนสมัยนั้นก็ถือว่าบาปแท่นั้นเองพระพุทธเจ้าก็ไม่อยากจะไปขวางกระแสความคิดก็เลยทาตามคามําทําตามความคิดของเขาไปคือไม่ เคาไม่ลบหลู่ความคิดของเขาไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่เพื่อจะได้ไม่มีปัญหากับเขานั่นเองคำถามต่อไปจากคุณบัวเวลานั่งสมาธิและจิตฟุ้งซ่านควรแก้ไขอย่างไรครับก็ไม่มีสติต้องดึงสติกับคืนมาต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปเลยว่าสวดมนต์ไปก่อนอย่าปล่อยให้นั่งเฉย ถ้านางเฉยฉแล้วมันก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็ฟุง้งกันมามการนั่งสมาธิถึงบอกต้องมีสติก่อนใช่ไหฉะนั้นแล้วนั่งไม่สําเร็จนั่งแล้วจะเกิดอาการฟุงร้งซ่านเกิดอาการ อ, อึดอัดแน่นหน้าอกปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ขึ้นมามแต่ถ้ามีสติแล้วจะเบาจะเย็นจะสบายไม่รู้สึกอะไรเห็นพยายามฝึกสติก่อนที่จะมานั่งการจะมีสติได้ก็ต้องมีกรรมฐานพยายามสร้าง สติด้วยการอยู่กับกรรมฐานบทใดบท ห, หนึ่งเช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจิตก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้พอนั่งจิตก็จะสงบง่ายแล้วก็จะไม่รู้สึกอึดอัดหมดแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอีกไหม you have any more question โอเคแต่ฉชนนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา